ไม่ใช่อาหารตามสั่งลักษณะอย่างนั้นน่ะอบปราตนาของเย็นอาจจะได้ของร้อนอยากจะกินน้ำแข็งเนี่ยเขาอาจจะเอาน้ำต้มมาให้แบบั้นลักษณะอย่างนั้นน่ะต้องการน้ำต้มเขาก็เอาน้าแข็งมาให้ลักษณะอย่างนั้นต้องการเปรี้ยวได้จืดต้องจานจืดได้เค็มลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้อย่างใจคือเป็นผู้ขอ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 ไปเทศโปรดพ่อแม่ลูกลูกชายเจ็ดลูกสะพ้ายเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าแม่สิบหกพ่อรวมแล้วเป็นสิบหชีวิตในอดีตชาติเป็นยังไงพวกพูใ้ใเจ้าต้อรู้นะอดีตชาติของพวกนี้เป็นยังไงทำไมชาตินี้ท่านทั้งสิบหกคนจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในอดีตชาติ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 พ่อแม่แลวก็ลูกชายเจดคนลูกสะใภ้เจคนรวมแล้วเป็นส6หคนเข้าไปมอบตัวเป็นทาสรับใช้เจดีย์ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นทาสรับใช้พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปะจนชีวิตจะหาไม่จะดูแลปณิบัติทุกอย่างทำความสะอาดทุกอย่างเป็นทาสรับใช้พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปะ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 ต่อมาก็ไปอยู่ในชนบทได้ลูกถึงพวกลูกทั้งหลายแล้วก็ไปเกิดกับตาแก่อีกเหมือนกันนะไอ้พวกที่ดูแลปฏิบัติพระเจดีผู้ได้เจ้ากษัตริยคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้นะ เ, ดเด็กสาวคนนีนะ้ที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยนะได้ไปฟังเทศพระผู้ไเจ้าอยู่ในเมืองในกรุงสวรรค์ถีอยู่ในเมือ ง, ง, นะอองได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันทอนนี้ไปอยู่กับพรานพรานป่า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 ผัวก็บอกเมียเือเอาหน้าไม้มาให้หน่อยสิทีนี้จะทํำยังไงในฐานะที่เราเป็นเมียเขาเป็นแม่บ้านเขาจะขัดขืนก่อนไปละไปหยิบหน้าเอาให้เอาให้เอ ใ, ในใจพระโสดาบันท่านบอกว่าที่ข้าเอาให้นี้นะข้ามาให้แก่เอาไปยินสัตว์นะข้าเอาให้แก่เท่านั้นในใจ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 แต่นี่ผู้ผัวเขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามที่นั้นน่ะแต่เมียมไม่ยินดีอันนี้ก็คือพระในยุคสมัยนั้นท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทาไมนางเป็นพระโสดาบันแล้วทําไมจึงเอาจัตตราอาวุธให้สามีมันจะไม่เป็นบาปหรือพระพุทธเจ้าบอกว่าในเมื่อมือไม่มีแผลถึงจะจับยาพิษ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 นายพานโกงธนูึ้นไปปล่อยสายธนูไม่ออกปล่อยลูกธนูไม่ออกแต่เอาลงก็ไม่ได้เอาขึ้นก็ไม่ได้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านก็โก่งอยู่อย่าง น, นั้นเลยตอนนี้โก่งธนูอยู่อย่างนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยเอาลงก็ไม่ได้เพราะอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าไม่เอาลงเอาลงไม่ได้แต่ในแม่ก็เลยถามเอ้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 พวกลูกชายกําลังไหวส ก, กันใช่ยกธนูขึ้นมาจะ ย, ยิงพระพุทธเจ้าอยู่อ่อยธนูไม่ออกอีกกคนหะนเออเป็นแปดคนทั้งพ่อะนะที่แม่กับลูกสะพ้ยเ อ, อ๊ะทําไมเ อ, อลูกชายกับพ่อทําไมไม่เห็นมามีอะไรวันะไปพวกเราไปตามดูพอพวพ อ, พอแม่ไปเห็นเห็นพระพุทธเจ้านั่งพวกนี้กําลัง เล็งธนูไปใส่อยู่งั้นเถอะเอาธนูยิงไปใส่จะยิงไปใส่ผู้แม่ไปเห็นนะหนอ้ยพวกท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนั้นพ่อของข้าชุดเจ้าจะไปยิงได้ยังไงยุดพ่อว่าเถอนะโอ้โหเราไม่รู้อันนี้คือพ่อตาของเรานะอันนี้โอ้ไม่ใช่รู้เราไม่รู้อันนี้อันนี้คือตาคุณตาของเรานะก็เลยสำนึกผิดได้ลดธนูทันทียังอพอรดธนูเสร็จแล้ว พ่อแม่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่เอเขาไปนั่งคุกเ ข, าข่าคารเข้าไปกราบเลยว่างั้นเถอะขอโทษขออภัย พ, พระพุทธองค์กรีฑาให้ฟังพระเทพให้ฟังก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งหมด อ, อแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วมีแต่พ่อได้สําเร็จลูกชายได้สําเร็จลูกสะพ้ยได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งหมดพร้อมกันถ้าจะว่าไปแล้ว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 ทางว่าพวกเรามีความหมั่นขยันพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความสำเร็จมีโอกาส อ, อย่างที่พระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมามีโอกาสไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นมันไม่อยู่กับที่ละถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอยู่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 เป็นระยะบุคคลตามแนวแถวท่านที่ได้สำเร็จมานะต่อนนี้ไปรับพร